บุ๊กทูหสที่ธนาคารดิฉันต้องการเปิดบัญชีนี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน โอสมีพาสปอร์ตและนี่ที่อยู่ของดิฉันอาอสมอยาเดรสะดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉันอยากขูดบุ๊กคลาสต์เธอร์โฉชีในมีราคูนดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉันอยากขูดบุ๊กคลาสต์เธอร์ о ฉชีส์มูโก ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทางคเางดารเนทาาเนางรเคทดาคิรชคดิฉันต้องเนดิฉันต้องเ็นชื่อที่ไหนคะ เดียกวั н นึงปิดเป็สตดิฉันกำลังรองเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันฉันร а เงินโอนมาจากประเทศเยอรมันฉันเงินโอนมาจากประเทศเยอรมันเงิทศเยอรมันฉันองิปเมนนิอเฉันทศเัองินเิารอฉันทยันงมะมรเงินเารอยัง ดิฉันต้องการแลกเงิน Я хотів би поміняти ці гроші ดิฉันต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ Мне потрібні долари США กรุณ า, า, า, าขอแบงก์ย่อยค่ะ Дайте мені, будь ласка, дрібні купюри ที่นี่มีตู ATM ต้ ATM ไหมคะ Тут є б а